ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสมาธิถูสูตรในช่วงที่พระตกตาจารย์ท่านอธิบายประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยซึ่งพระสารีบุตริราไม่ได้ขยายไว้ท่านก็นำมาขยายเพื่อ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทรงกันเพราะถ้าหากว่าเราคิดเองเนะก็ในสึกก็ต่างคนดั่งก็พูดกันก็เรียกว่าคนละเรื่องเดียวกันไปเลยจะมีประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกว่ารู้ชัดอากุศลคำว่ารู้ชัดอากุศลก็คือ เน้นไปที่อากุศลกบฏสบิแต่นี่อากุศลกบฏสิเนี่ยมันมาจากรากของมันก็คือโลกกดลงแล้วอาการที่คนอื่นก็สัมผัสได้มันก็คือเจดข้อแรกก็คือประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษรายต่อทรัพย์สินประทุษร้ายต่อคู่ครองของคนอื่น แล้วก็พูดเท็พูดสอดเสียพูดคำหยาพูดเพเจอเชิดไหลก็เจดข้อเนี่ยล่านั้นมันก็เป็นความรู้สึกภายในทำ่มโลภอยากได้ของคนอื่นมันก็อยู่ข้างในคนที่โลภจะเป็นคนรู้คนอื่นก็ไม่รู้จะรู้ก็ต่อเมื่อเขาแสดงออกมาแล้วการแสดงออกเนี่ย มันจะมีความชัดเจนว่ากิเลสมันแรงหรือว่าไม่แรงเท่าไหร่หรือว่าอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นก็เป็นความคิดภายในใจเขาความเห็นผิดจากทานองครองธรรมหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็อยู่เรื่องภายใ น, ในใจเขา่อนท่านจึงอธิบายอากุศลก็สรุปไว้ที่อากุศลกำหนดสิบประการ ทีนี้ถ้าพูดถึงรากง้าวก็หมายความว่ารู้ชัดรากงาวของอกุศลที่เป็นรากงาวเป็นปัจจัยแห่งอกุศลนั้นเมื่อแทงตลอดวันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยประการนั้นๆชื่อว่ารู้รากง้าวของอกุศลถึงแม้เลยครับว่ากุศลก็ต้องรู้โดยนัยยะตรงกันข้าม คือมาความมารู้ชัดในกุศลก็คือรู้ชัดในกุศลขบวดสิทธิ์และรากง่าวของกุศลก็คือจิตที่ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปฟองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบตามทํานองคลองทำทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือความเห็นที่เรียกว่ามีความเห็นถูกต้องหรือว่าเป็นสมาธิิติ ก็ท่านเน้นไปที่โลกุตระสมาธิทีนะครับด้วยข้อความสั้นๆเนี่ยภาษารีบุตรก็จบการแสดงโดยย่นย่อแล้วก็การแสดงของท่านจึงเป็นการย่นย่อแต่ก็ยาวนะฮะลองสังเกตว่าข้อความนี่นยาวเพราะแต่และข้อนั้นอย่างคัดต้องขยายเยอะเปย์ยานไว้อีกเยอะนะ คือไม่ต้องไม่ต้องอธิบายขยายความเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นที่ภิกษุถามแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลักที่เรียกวาโยในโสมนสิการคือการใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาโดยอุบายวิธีที่แยกคายสมเหตุสมผลถูกต้องสอดคล้อง กับหลักธรรมที่รู้เจ้าสุ่มแสดงไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสอดคล้องกับหลักอริยสัจสก็ถ้าการแสดงโดยพิสดารมันก็ต้องดูคนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าพวกนี้ถ้าพูดถึงว่าสมมติว่าเอาไปเทศนะเอาไปเทศ เช่นว่าวัดบางวัดเนี่ยจะมีการเทศในพรรษาทุกๆวันแล้วก็เราไปเทศแบบขยายพิสดารก็เทศอยู่นานนะฮะเป็นเดือนแ่ะเพราะว่าข้อความที่ท่านเปย์ยานไว้ดีเป็นข้อความหลักๆเจต่าพูดถึงสมาธิที่นั่นก็พูดแค่สมาธิเป็นต้น ซึ่งผู้เรียนก็ต้องรู้ว่ามันไปจบที่สมาสมาธิและจบสมบูรณ์นะที่สมาวิมุตตเพราะเมื่อเราต้องการอธิบายโดยพิสดารก็ยกมาเป็นประเด็นประเด็นไปคือกรอบของคำสอนหรือสิ่งดีงามทั้งหลายที่มนุษย์ประพฤติอยู่เนี่ย เพราะข้อจริงมันไม่อื่นไปจากอริยมรรคจะสงเคราะห์ลงกับอริยมรรคทั้งหมดหรือว่ากิเลสที่เป็นเหตุสร้างปัญหาสารพัดอย่างเท่าไรก็ได้มันก็อยู่ที่โลบ ก, กดหลงหรือว่าเรียงให้เต็มที่เนี่ยเรียกว่าราคาโลพาโทสัมโมหะเพราะไรเพราะว่ากระแสะสังคมเราในปัจจุบันปัญหาสี่เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ แล้วก็ใหญ่อยู่ทั่วโลกด้วยไม่ใช่ว่าอยญ่อ ย, อยู่เพพาะที่ใดที่หนึ่งแล้วกษัตริย์โลกก็เป็นไปอย่างนี้เพียงแต่ว่ามันลดลงหรือไม่ตอนนั้นเด็กถ้จะหมดไปเลยเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทำยังไงว่าคนจะลดการลุออำนาจแก่กิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นภายในใจเรา อย่างน้อยก็เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ระหว่างกันและกันเกิในฐานะเป็นมนุษย์โดยการเป็นสัตว์ที่มีชีวิตด้วยกันให้ความเคารพกันขนาดนี้นะแล้วก็เกิดซํานึกตด้วยจิตตัวเองสิ่งดีงามต่างๆก็จะเกิดขึ้นเป็นอนเนกันนั้นเพราะนั้นก็ ในส่วนที่ควรแทงตลอดถึงความจริงของเรื่องนั้นๆโอเรื่องบางเรื่องนี่เราจะเห็นว่ า, วาซ้ำแล้วซ้าอีกทำไมต้องซ้าแล้วซ้ำอีกกรเพราะมันเป็นปัญหาแล้วปัญหาอีกครับปัญหาซ้าอยู่ตรงนั้นจังใล้ๆก็ข่าวคราวในสื่อสารมวลชนของเราทุกประเภทนะ คือถ้าเราพอมาเกาะกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวเรื่องเรื่องเจดข้อนี่แหละมากที่สุดเป็นพวกอาชญากรรมประทุษรายต่อชีวิตประทุสรายต่อทรัพย์ร่วงละเมิดใดทางเพศที่ทาด้วยกายเนี่ยก็แค่สามอย่างเท่านั้นเองแต่มันก็ทำซ้ำซากทำแล้วทำอีกแล้วก็ที่ทพูดดนวาจามันก็มีอยู่สี่อย่างเท่านั้น ก็คือพูดเท็จพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกพูดคำหยาบคายร้ายกาจแล้วก็พูดเพื่อเชอิดเรืวไหลพวกนี้ก็เป็นข่าวทุกวันเป็นข่าวเราอ่านทุกวันนะถ้าใครอ่านหนังสือพิมพ์มากๆแล้วก็สรุปประเด็นดูจะเห็นชัดเจนเลยไม่อื่นไปจากอำนาจราคาโลภะโทสะมัวทีนี้ ประเด็นต่อไปก็คือภิกษุทั้งหลายได้กล่าวว่าบรรดาการแสดงทั้งสองอย่างนั้นด้วยการแสดงอย่างย่น ย, นยอ่อท่านภาษาดิบุตรก็ได้กล่าวถึงมักเบื้องต่าไว้ทั้งสองอย่างเวลาแสดงพิจารณาก็กล่าวถึงมักเบื้องเบื้องสูงไว้ทั้งสองอย่างและในสุดของการแสดงโดยพิดารภิกษุทั้งหลายก็เล็งเห็นคามีอธิ่า เพราะละราคาอนุใสได้โดยประการทั้งปวงแต่พระเทรซก็ได้กล่าวทั้งกล่าวว่ามรรคทั้งสี่ได้กล่าวไว้แล้วโดยเป็นหมวดเป็นการแสดงโดยยอก็มีโดยพิสดารก็มีการแสดงโดยยอดหรือพิสดารเนี่ยเป็นการแสดงที่ข้าพเจ้าคือพระพุทธโคสาจารย์นะ ได้กระทําการวิจารณ์ไว้โดยละเอียดแจ่มแจ้งแล้วทั้งที่นี้ทั้งที่การแสดงนี้และตามที่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ทุกๆวาระเพราะว่าต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะจัดทําการขยายความและบทที่ยากจะยังไม่ได้อธิบายก็ในที่สุดท่านก็มาเน้นที่พวก ปานาติบาตเป็นต้นเนพวกอากุศลกบดซิปนะพูดง่ายว่าเน้นที่อากุศลกบดซิปคือตามปกติเราไม่ค่อยนำมาพูดพิสดารมันอาจจะพูดว่าเป็นหญ้าปากคอกเรืออะไรก็ไม่สราแต่ว่าคล้ายๆกับพระก็เกรงใจโยมแล้วก็นึกว่าโยมรู้แล้ว่างทางเีเอาก็อจริงไม่รู้ก็เยอะนะ ยงแต่เราไม่เคยถามท่านนั่นเองคือพระเทศเนี่ยมันก็สื่อทางเดียวคือญาติโยมไม่ได้มีโอกาสที่จะสอบถามสักถามสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจคือฟังแล้วไม่เข้าใจนี่น่าจะถามคือถ้าไปบรรยารวมเด็กอะไรเด็กก็จะถามเยอะมาก แต่ผู้ใหญ่เนี่ยทำนองจะอมภูมิรักษาภูมิหรืออะไรก็ไม่ทราบเมื่อเขาไม่ถามเราก็ไม่กล้าแสดงพอแสดงออกไปก็พิสดารพอพิสดารมันก็จําไม่ได้คืออย่างคําว่าปานาทิบาตเนี่ยปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามีเนตวการสําคัญมันอยู่ที่ปานาทิปาตาเวรมณี แปลว่า ง, งดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายหรือให้ตกล่วงไปสํานวนความยากหน้อยนะะคือให้ตายนะนะั่นแหละทีนี้ในการฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็กําหนดเกณฑ์เอาไว้ว่าอย่างไรเรียกว่าการฆ่าสัตว์หรื อ, อย่างไรเรียกว่าการไม่ฆ่าสัตว์เพราะว่าในแง่ของความเป็นจริง ยามเรเดินไปไหนมาไหนกลางคืนแม้แต่พระเดินจงกรมในวัดก็เถอะก็เรารู้ได้อย่างเราเหยียบสัตว์ตายบ้างหรือไม่เราเดินกลางคืนเนี่ยแต่นั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นศีลคือองค์ประกอบของศีลเนี่ยมันจะต้องมีเกณฑ์เป็นมาตรวัดว่าการกระทําอย่างนี้ผิดศีลหรือไม่ผิดศีล ที่นนปานาในปนาปนาที่ปาตะเนี่ยโดยโวหารก็ได้แก่สัตว์แต่โดยปรมาตย์แก่สิ่งที่มีชีวิตติณสีหมายความอะไรก็ตามที่มันมีชีวิตติณสีมีสีคือชีวิตพระท่านใช้คำว่าปานะทรงใช้คำว่าปานะปานาก็คือปราณ ร่งก็คือลมหายใจเขาออกหมายความว่าสัตว์สิ่งที่มีลมหายใจเขาออกอาจจะพูดถึงคนถึงสัตว์ถึงสิส่งเช่นลดเช่นต้นไม้นี่มันเป็นสิ่งแต่มันก็มีลมหายใจเขาออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระจึงตัดต้นไม้ไม่ได้แต่บางคนดัดได้นะเราเป็นศีลที่ประณีต ลึกซึ้งเกินไปแล้วก็ไปขัดขวากงการงานอาชีพของชาวบ้านก็แสดงไว้ในฐานะเป็นธรรมะไม่แสดงไว้ในฐานะที่เป็นศีลสําหรับชาวบ้านแต่ว่าอุคุศลก็กหมดสิบเนี่ยมันเป็นเป็นศีลนะฮะเป็นระดับศีลแต่ว่าแสดงในรูปของธรรมะ เพราะว่าจริงไม่มีศีลข้อสุราเราจะเห็นว่าในสิบข้อเอ๊ะไม่มีสุราศีลแปดมีสุราศินโบสดมีสุราหรือว่าอาชีวะมัตตกะศีลแปดข้อเหมือนกันแต่ไม่มีสุราไม่มีสุราอยู่เพราะาในกรณีที่ไม่มีสุราเนี่ยมันจึงหมายถึงธรรมะคือแสดงในฐานะเป็นธรรมะ แต่อย่าลืมว่าคนจะต้องสำนึกว่ามันเป็นบาปเป็นอังกุศลแล้วก็มีเจตํจำนงมีความมุ่งมั่นที่จะงดเว้นไม่ประพฤติปฏิบัติที่เป็นการทำลายสัตว์มีชีวิตให้ตาย ต, ายตกล่งไปทีนี้ส่วนเจตนาที่จะฆ่าของผู้มีความสำคัญในสัตว์มีชีวิตนั้นว่าเป็นสัตว์ที่มีชีวิต อันเป็นสมุดฐานคือเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของความพยายามที่จะเข้าไปทำลายชีวิตเขาก็อาจจะทำด้วยกายก็ได้หรือวาจาก็ได้หรือว่าทางกายหรือวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือหมายความว่าทำเองใช้เขาทำยกย่องสรรเสริญผู้ทำ แล้วก็พอใจเย็น ด, ดีในสิ่งที่เขาทำไอ้ น, นี้ไม่ถึงกระขาดสีนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องใจแต่คุณภาพของจิตมันก็ตกเพราะแสดงว่ามันมีวิหิงสาวิตกอยู่ทั้งหมดเนี่สรุปรวมเรียกว่าปานาทิบัตทีนี้การจะมีโทษน้อยหรือมีโทษมากคือสัตว์นั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อย เจตนาในการฆ่านั้นแรงหรือไม่แรงแล้วความพยายามนี้มากหรือไม่มากทีนี้ถ้าหากว่าสัตว์ใหญ่เจตนาจะฆ่าต้องแรงแม้งั้นฆ่าไม่ได้แล้วความพยายามต้องต่อเนื่องเจยสมมตวิว่าฆ่าโคฆ่าอะไรตัวใหญ่ๆนี่มันไม่ใช่ไปตีทีเดียวตายก็ตีตั้งหลายครั้ง หรือขวดรุนแรงไม่ใช่เล่นลนะนะพ้อนบาปมันเกิดขึ้นแรงแต่ละทีเนี่ยมันแรงแล้วเงื้ออะไรลงไปสมมติว่าตีด้วยค้อนด้วยอะไราก็ฆ่าด้วยอะไรก็ไม่รู้นะไปยังไม่ก็เห็นก็เดนกรรมที่ไม่ควรกระทำนี่เขาเรียกว่าโทษน้อยก็เพราะสัตว์มีชีวิตเน่ตัวมันเล็ก ตัวมันเล็กคุณมันก็น้อยนะความพยายามก็น้อยอย่าเราทำมัดตายเนี่ยบางทีมันก็ต้องการจะหยิบมันไปปล่อยเนี่ยไม่จับผิดท่าเลยสัตว์ตายเลยเจตนาไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะฆ่าแต่เจตนาจะหยิบไปปล่อยแต่ว่าตัวมันเล็กเกินไปอะ่ะทีนี้ถามว่าไอ้สามคำนี้ วัตถคุคือตัวสัตว์ที่เราฆ่าเจตนาที่เกิดขึ้นทางจิตก่อนแหละแล้วความพยายามที่ทําทางกายหรือทางวจาจาก็ทําออกไปทีนี้บางทีเนี่ยประโยคมันเสมอกันเกิในความพยายามที่เราก็ทําเนี่ยบรรณาธิบ า, าีบาก็มีโทษมากเพราะว่าสัตว์มันเป็นตัวใหญ่ความพยายามเราก็มาก แต่สัตว์ที่มีคุณมีมนุษย์เป็นต้นในสัตว์มีคุณน้อยปาาธิบาศก็มีโทษน้อยในสัตว์ที่มีคุณมากก็สาวบาศมีโทษมากเพราะงั้นในการที่เพชจะฆ่าไปฆ่าคนถามาบาปไหมที่จริงก็บาปแต่ว่าไม่มากเพราะว่าคุณเขาไม่มาก เขเป็นนักโทษราหารตามคําสั่งของศาลส ถ, ถิตยุติธรรมและเป็นกระบวนการของกฎหมายแต่ว่าไปไปเสด็จเราไม่บาปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าบาปไม่มากเพราะว่าหนึ่งคุณเขน้อยสองเจตนาเราไม่แรงสามความพยายามไม่มากแต่ในปัจจุบันนี้ก็ฉีดยา ก, กันแล้วนะครับก็ฉีดยา ก, กันก็แสดงว่าความพยายามก็หย่อนลงมาเยอะ ทีนี้เมื่อขนาดและคุณเท่ากันเนี่ยปานาธิบาทก็จะมีโทษน้อยเพราะว่ามีกิเลสและความพยายามอ่อนถ้ามีโทษมากก็หมายความกิเลสมากและความพยายามมากทีนี้การกำหนดเกณฑ์ว่าเป็นปานาธิบาตหรือไม่ปานาติบาตคือศีลคงเคยได้ยินว่าศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อย แล้วก็ไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองคือไม่ไม่รักษาด้วยความสำนึกโทษของการละเมิดศีลด้วยตัวเองที่นีไอ้ขาทะลุด่างพร้อยสี่อย่างเนี่ยท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับการฆ่าสัตว์หมายความว่าฆ่าสัตว์ตายเลย รู้ว่าสัตว์นั้นมีสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตตั้งจิตคิดจะฆ่าทําความพยายามที่จะฆ่าแล้วก็สัตว์ได้ด้วยความพยายามนั้นองค์มันครบอะครบครบห้าอย่างก็จัดเป็นปานาธิบาต ท, ทีนี้มีโทษมากหรือมีโทษน้อยเราก็กลับไปดูประเด็นเดิมสัตว์นั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อยกิเลสเกิดขึ้นแรงหรือว่ากิเลสไม่แรง ในการฆ่าเนี่ยบางทีก็บรรดาโทสะอะไรขึ้นมาหรือบางทีก็พยายามฆ่าเลยก็แสดงว่ากิเลสมันเกิดดับต่อเนื่องกันไปเยอะหลายสิบครั้งจนกว่าจะฆ่าได้เนี่ยก็บาปมันก็มากทีนี้ในกรณีของศีลทะลุเนี่ยจ้นสมมติว่าขาดทะลุนะฮะ สมมติว่าเจตนาจะฆ่าสัตว์เงื่อมือจะตกสมมติว่ายุงกัดเนี่ยเงื่อมือจะตกแต่ตกผิดนะคือไม่ไม่ถึงกับผิดมันไปถูกอะไรขาดสักอย่างเนี่ยเช่นว่าปีขาดไปหน่อยหนึ่งอะไรแต่ไรเนี่ยก็ถือว่าสีนทะลุปไปสีนด่างไปเนี่ยหมายความว่าตกผิดเช่นว่าตกยุงเนี่ยตบผิดสีนพร้อยไปเนี่ย เจตนาจะฆ่าเกิดแล้วความพยายามเกิดแล้วแต่ว่าเนื้อมือขึ้นเฉยๆไม่ตกหยุดตัวเองไม่ได้คนสัตว์มีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตตั้งจิตคิดจะฆ่าตั้งแต่จิตนะแต่ยังคิดจะฆ่าคิดแล้วแต่ว่าไม่พยายามฆ่าแล้วก็สัตว์ก็ไม่ตายอันนี้ถือว่าเป็นศีลที่พลอย คือมันคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับผ้าที่ไม่บริสุทธิ์ผ้าที่มีจุดด่างจุดบกพร่องจุดใดจุดหนึ่งีนี้ประโยคที่ใช้เนี่ยท่านกาหนดไว้เป็น5้าอย่างคือฆ่าด้วยมือของตนเองใช้คนอื่นฆ่าแล้วก็ฆ่าดยศัตราหรือพุ่งหรือปล่อยออกไปแล้วฆ่าด้วยกับดัก ดักไซดักรกอบดักอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็ฆ่าด้วยอำนาจวิชาต่างๆตลอดึงฆ่าด้วยดิษนะฮะก็แล้วแต่ที่นี้ถ้าอธิบายยาวก็จะเรื่องมันก็จะเยอะนะก็เรื่องจะเยอะคือประโยคนี้เขาปรากฏในที่ต่างๆ อย่างอารติเวรตีป่าป่าเนี่ยในมงคลสูตรก็แสดงอธิบายเอาไว้ทีนี้พอมาถึงอธทินาทานอาทินาทานมันก็อยู่โครงสร้างเดียวกับปานาติบาคือหมายความว่าการถืออของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยเจตนาที่เป็นขโมย ไม่ได้ถือเอาโดยวิสาสะคือเราได้เห็นกันมาได้คบกันมาได้พูดกันไว้เราถือเอาแล้วขอพอใจมันไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบตรงนั้นการลักของผู้อื่นก็เรียกว่าเถอยญาเจตนาคือเจตนาในการรักก็เป็นกริยาแบบโจรแต่ว่าถ้าไม่เจตนามันก็ไม่ได้ถือ ว, ว่าขาดถ้าสมมติว่าของวางปนกันหรือว่า มีกระเป๋าหรือพระบางทีก็หยิบย่มามผิดกันก็มีแต่ว่ามันก็ตรวจรวจง่ายนะครับไปถึงก็ดูพอไม่ใช่ของเราเราก็รู้ว่าเป็นของใครแต่ว่าตอนเราไปคืนเนี่ยอาจจะไม่ใช่องค์นก็ได้องค์นก็หยิบผิดของคนอื่นเหมือนกันพอดีไปงานเดียวกันแล้วก็ถวายย่ามชนิดเดียวกันนั้นตาปกติแล้วพระก็ต้องสรวจสอบข้างในซะก่อน ตรวจสอบของข้างในแต่ก่อนไม่งั้นหยิบผิดได้ง่ายแต่สมมุติว่าหยิบไปก็ไม่ได้เจตนาขาโมยไม่ได้เจตนาขาโมยถ้าเจตนาขาโมยมันก็มันก็ไปนะเพียงแต่ว่าต้องไม่มีเจตนาทีนี้พวกอาธินาทานเนี่ยได้แก่ของที่ผู้อื่นกังวงแทนผู้ใช้ของที่คนอื่นใช้ตามต้องการ ไม่ควรได้รับทันและไม่ควรถูกดําเนิกแล้วก็เจตนาที่จะลักของผู้ที่รู้ในของที่ผู้อื่นหวงแหนนั้นว่าเป็นของที่เขาหวงแหนอันถือว่าเป็นสมุดฐานคือเป็นเหตุเกิดเป็นเหตุเกิดของความพยายามที่จะือเอาสิ่งของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นอาทินาฐาน ทีนี้อธินามทานก็มีโทษน้อยหรือมีโทษมากก็อยู่ที่ของนั้นหยาบกลางประณีตคืออย่าลืมว่าถ้าของที่ราคามากๆโรคของประณีตเนียน่ยมันต้องพยามากนะหรือเขาซ่อนเขาเก็บอะไรต่อไรไว้อย่างดีลีลบใส่ตู้เซฟไว้อะไรต่ออราง เพงของนั้นมีราคามากแล้วก็เจตนาแรงคือเจตนาที่จะรักนี่แหลื่อทำทุกวิธีที่ต้อ ง, ต, องต้องได้นะอย่างเวนี้ยังยั ง, ย, งยังนึกเป็นห่วงนะข่าวคราวเรื่องหลอกต้มเอาเงินอาอาทองของเพื่อนบ้านไปด้วยกัน บางคนก็สะสมเงินมาเป็นคนแก่กวันก่อนนี่ฟังข่าวหน่อยนคนค น, คนแก่เบอกว่าเงินเนี้ยมันสะสมกันมาหลายสิบปีกับน้องสาวเพราะตัวเองไม่มีครอบครัวไม่มีลูกเจ้าอะไรก็คิดว่าไว้เลี้ยงดูตัวเองตอนแก่ทั้งสองคนพี่น้องอะตอนแก่ลงมันก็จะได้มีเงินก้อนเนี้ยก็ถูก ใช่ไปในการเลี้ยงดูตัวเองแต่ก็ถูกพวกนี้พวกอะไรอะ่ะหลอกขายหลอกลงทุนอนะไรอะไรเน่ยก็มาหลอกไปหมดเลยเรียบร้อยขอเป็นภาพที่น่าสงสารว่ า, วามากว่าความโลภ เ, เป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วไม่ได้คิดในรอบครอบอะไร คือต้องนึกว่าคนที่เราไปหลอกเขาเนี่ก็ส่วนใหญ่มันก็หลอกคนระดับเดียวกับตัวเองนั่นแหละฐานะทางเศรษฐกิจพอๆกับตัวเองนั่นแหละหลอกคนที่มีฐานะมั่งคั่งมีความรอบรู้ในเรื่องการเงินการทองการตล า, ลาดการลงทุนอะไรต่างๆนี่มันก็ต้มเขาไม่ได้หรอกก็สรุปวา่าในที่สุดก็คนจนก็ต้งคนจนก็เบียดเบียนกันนีง ดี ใ, ใจโหดร้ายมากนะถ้าเราคิดได้ดีแล้วโหดร้ายมากก็เบียดบินในในพวกคนตัวเองระดับเดียวกันตัวเองถ้าถูกทําอย่างนั้นก็สาหัสเหมือนกันคนอื่นพอถูกตัวเองไปทําอย่างนั้นเขาก็สาหัสเหมือนกันแต่ก็ดูดูภาพดูอะไรแล้วก็ดูเองหน้าตาไม่น่าจะทําอย่างนี้ได้แต่ก็ทําอย่างนี้ได้นั้นแสดงให้เห็นถึงความตกต่ําในด้านสินธรรม แล้วมันเงื่อนไขมันเยอะนะฮะสภาพแวดล้อม ต, ต่างๆภายในสังคมแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าคนเราพอรวยขึ้นมาเนี่ยมันได้สถานะทางเศษรษฐกิจสามารถจะเข้าถึงอะไรต่อมือะไรที่ถ้ายากจนแล้วเข้าถึงไม่ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งเงิ น, ะงนะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่าไม่ได้ พอมีเงินขึ้นมาอาจจะฟ้องเงินอะไรมาก็ไม่รู้แล้ววนี้ในสุดก็รวยพอได้สถานะทางเศรษฐกิจก็จได้สถานะทางสังคมบริจาคสมทบการกุศล ร, รายใหญ่ๆออกโทรทัศน์พวกลูกน้องก็ยกย่องเชียร์สะดุดีออกสื่อต่างๆแต่ไหนก็มีคนห้อมล้อมไม่เท่าไหร่ก็เล่นการเมืองอา้าวได้สถานะทางการเมือง ทีนี้แหละมีเงินให้โกงได้เยอะให้คอร์รัปชันได้เยอะก็น่าสลดนะโลกมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาบางทีเราก็ไปพูดเรื่องยากเกินไปเรื่องง่ายๆเนี่ยที่เรื่องเป็ น, ป, นปัญหาทุทกวั น, เ, นเราไม่เอามาพูดกันอย่างบางที สิ่งที่ที่จะมาบรรยายเนี่ยเรื่องพระสูตรนะหมายความว่าาพระสูตรก็ว่าอย่างไงเราก็บรรยายอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะพูดโดยทั่วไปไม่ไม่ได้พูดเรื่องยากๆบางอย่างบางพระสูตรหรอก็พยายามดูปัญหาสังคมมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบางเราก็จะพูดเรื่องเหล่านั้นนะปนัญหาการแตกแยกกันการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย แบ่งเป็นพวกก่อการทะเลวิวาทการด่าทอการโจมตีการใส่ร้ายป้ายสีกันก็นนี้กันจะอยู่ในแถวกุศลกรรบทอกุศลกรรบทนี่แหละเขาจะอยู่แถวนี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาไอ้เรื่องบางเรื่องมันสูงเกินไปที่เรายังไปไม่ถึง บางทีสี่ห้ายังรักษาไม่ได้เลยไปถึงปรมัตธรรมแล้วก็มันก็พูดได้พูดได้แต่ว่าค่อยถึงก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังทีนี้องค์ประกอบของในการลกขโมยเนี่ยมันมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือของนั้นมีค่ามากของรูปคนนั้นน่ยมีคุณมากเราไปเบียดเบียนผู้ที่มีคุณมาก เพเจตนาก็ต้องแรงความพยายามก็ต้องมากเพื่อนบาปมันก็มากทีนี้องค์ประกอบของอธินาทานเนี่ยก็มีอยู่ห้าข้อเหมือนกันหนึ่งของนั้นคนอื่นหวงแหน ร, รู้ว่าเป็นของที่คนอื่นเขาหวงแหนแล้วก็มีทะยจิตคิดจะรักแล้วก็ทําความพยายามที่จะรัก โดยวิธีอะไรก็ได้โดยวิธีรักเองโดยให้คนอื่นช่วยรักให้หรือว่าร่วมมือกับคนอื่นก็ไม่รู้ว่าได้ของนั้นมาในทางโดยวิธีของโจรก็ถือว่าผิดเพราะฉะนั้นใ น, ในรูปของประโยคการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบธรรมเนี่ยมันก็ไม่องประกอบ เช่นก็เป็นการกระทาโดยตัวเองแล้วก็ในพวกเอาวหารก็คือใกล้ๆใกล้ๆทินทานเข้าจารยเช่นว่าลักโดยการขโมยลักโดยการกันโชคลักโดยการลักซ่อนซ่อนเอาไว้ก่อน ตัวรัาากโดยการกำหนดสิ่งของหรือเวลาหือวรัาากโดยการสับเปลี่ยนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมากดเป็นพวกอาทินาทานทีนี้ข้อต่อไปก็คืออากุศลขบทข้อที่สานะฮะก็คือกามเมสุมิจาจาดก็ในพระบาลียังไม่เคยเจอว่าข้อนี้เป็นอภรรม แต่ก็ยังไม่ตั้งตั้งใจค้นนั่นนะฮนะเพราะว่าปสัสยบิดกศรีสิบห้าเล่มเนี่ยค้นก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เคยพบคําคําในข้อที่สามว่าเป็นเป็นอัพ ร, รมก็เป็นพูดระดับการเมียนี่แหละแต่การเมียเป็นปัญหาใหญ่นะเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่ามัน สร้างปัญหาสลับซับซ้อนเยอะเกิดขึ้นในเรื่องเหล่านี้ก็ได้แก่การประพฤติในเรื่องเพศความประพฤติลามกที่บันดิตตำหนิดโดยส่วนเดียวชื่อว่ามิจฉาจารย์คือหมายความ่มันขึ้นอยู่กับระดับการมอง การมองเราจะเห็นว่าของที่คนอื่นเขาชอบเนี่ยในขณะเดียวกันคนเป็นจำนวนมากเนี่ยรู้สึกขยะขยงรู้สึกรังเกียจแต่ตามปกติแล้วพระก็ไม่ค่อยอธิบายเรื่องเหล่านี้พิสดารนะนะคือส่วนมากแล้วก็พูดพูดพอผ่านไปเพราะว่าญาติโยมก็รู้อยู่แล้วว่ามันหมายถึงอะไร แล้วมันก็จริงจริงก้อนข้างกระดาษนะคือพระเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้มันค่อนข้างกระดาษแต่ว่าในข้อนี้ก็ถือว่ามีองค์ประกอบที่สําคัญเป็นเจตนาที่ล่วงเกินสถานะที่ไม่ควรเร่องเกินนี่พอใช้คําบาลีเขาฟังยังยากนลแต่พูดตรงๆมันก็ไม่ได้่ ที่เป็นไปทางกายด้วยความประสงค์ต่ออสาสัตธรรมอสัตธรรมก็คือการร่วมเพศกันนั่นแหละแต่ว่าทางาศาสนาก็พยายามหาคำมาใช้ใช้มันนิ่มนิ่มหน่อยบางทีนิ่มจนเขาไม่เข้าใจไปทีนี้เป็นเป็นเรื่องแปลกที่พระตถาจารย์ได้จำแนกผู้หญิงไว้ทั้งหมดเนี่ย ก็ยี่สิบประเภทว่าเป็นวัตถุหรือเป็นที่ตั้งของกาเมสุมิฉาจารย์หรือไม่เช่นว่าหญิงที่มารดารักษาเป็นต้นคือหญิงที่มารดารักษาที่บิดารักษาหญิงที่มารดาและบิดารักษาหญิงที่พี่ชายน้องชายรักษาหญิงที่ญาติรักษาหญิงที่โคตรรักษาหญิงที่ทำรักษา เช่นพวกนักบวชในาศาสนาต่างๆหญิงที่มีการรักขาหญิงที่มีอัตยารอบด้านคือนี้เ็าเขียนไว้ในกฎมนเทียนบานนะเขียนไว้ในกฎมนเทียบานก็คงพวกสาวสันกำนัลในทั้งหลายในวังสมัยโบราณก็เยอะอย่างเช่นประเทศจีนยอย่างเงี้ยก็อีกพวกหนึ่งก็ หญิงที่ถ่ายมาด้วยซับเป็นต้นก็คือโบราณก็เรียกว่าพัญยาสินไทยหญิงที่อยู่กันเพราะความพอใจหญิงที่อยู่กันเพราะโภคะหญิงที่อยู่กันเพราะเครื่องนุ่งหม่มหญิงที่ผู้ปกครองดื่มใจ ย, ยกให้หญิงที่ชายยกเซิร์ตลงจากศีรษะก็หญิงที่ เป็นทั้งพันยาแล้วก็เป็นทั้งธาตุหญิงที่เป็นทั้งพันยาและก็เป็นทั้งลูกจ้างหญิงที่เป็นเฉลยศิษหญิงที่อยู่กันชั่วครูเดียวก็จะเป็นหญิงต้องห้ามหญิงที่ต้องห้ามหมายความว่ายุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงยี่สิบประเภทเนี้เป็นการเมสุมิชาจาย์ท่านั้น ทีนี้พอมาสมัครผู้หญิงก็เรียกว่าชายอื่นนอกจากสามีของตัวเองก็จัดเป็นชายที่ต้องห้ามเหมือนกันนะคือคือไม่ใช่ว่าเป็นกา ร, รมเมเฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายอื่นที่นอกจากสามีตัวเองก็จัดเป็นกา ร, รมเม่สมิชาจา ทีนี้หญิงสิบสองสิบสองประเภทคือหญิงที่มีการอารักขาแล้วก็หญิงที่มีอาอยารอบด้านกับสิบพวกมีหญิงที่ถ่ายมาต่างๆเป็นต้นคือประเภทที่สองตะกี้เนี่ยก็ว่าเป็ น, เ ป, นเป็นหญิงที่ไม่จัดว่าเป็น ไม่จัดว่าเป็นมิจฉาจารย์แล้วก็ท่านบอกว่ามิจฉาจารย์นั้นมีโทษน้อยในเพราะผู้หญิงที่ที่ต้องห้ามปราศจากคุณธรรมมีศีลเป็นต้นมีโทษมากเพราะว่าถึงพร้อมด้วยคุณธรรมมีศีลเป็นต้น กรมิกเมสมิจฉาจานั้นมีโทษไม่ใช่มีองค์ประกอบสี่ประการนะคือเป็นบุคคลต้องห้ามหนึ่งจิตที่จะเสพในบุคคลต้องห้ามนั้นแล้วก็ประกอบการเสพไปการการให้ให้อวัย่าจดกันนะฮะคือคือเรียกว่ามันผิดศีลตั้งแต่ตั้งแต่นิดเดียว ตั้งแต่อวัยวะกระทบกันก็จัดจัดเป็นผิดศีลแล้วถ้าเป็นพระก็ปลาลัชิกแล้วนะถ้าเป็นพระก็ปรารัชิกแล้วอันนี้เราจะเห็นถึงว่าเราสามารถหยุดตัวเองได้ตั้งหลายจังหวะแต่ว่าแรงดันของกิเลสเนี่ยมักจะหายเหตุผลมันหายไปด้วยสติปัญญามันหายไปด้วย แล้วก็ในที่สุดก็โยนลูกออกนอกโยนโยนให้ไกลต่อเมีย ใ, ใครก็ยุ่งไปหมดเลยปัญหาเหล่านี้สี่ข้อเนี่ยคือปัญหายากรรมไม่อย่าสามข้อเนี้ยเป็นปัญหายากรรมใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกไม่ระดับศึกสงครามเราลองสังเกตว่ามันก็ไม่มีอะไรมันก็พวกเนี้ทําลายชีวิตทําลายทรัพย์สินดุ่มลอเมิดในทางเพศ ออกแถลงการกลบเกลื่อนความชั่วของตัวเองแล้วก็หมายความโกหกด้วยกันทะสองฝ่ายเนี่ยเวลาเนี้ยเขาเคารพกันเนเราเราติดตามข่าวเนี่ยเราฟังคนที่พูดถึงความดีของตัวเองเขาก็กลบเกลื่อนความชั่วของเขา อีกฝ่ายหนึ่งก็พูดถึงความดีของตัวเองแล้วก็กลบเกลื่อนความชั่วของเขาคนที่ถูกหลอกมากที่สุดคือราษฎรในประเทศนั้นนะถูกหลอกมากที่สุดโดยติดตามข่าวไปรับ ข, า ข, าข่าวกันทุกวันเพราะงั้นมันจึงนําไปสู่ปัญหาการละเมิดสีทธข้ออื่นๆในสี่ข้อเนี้ในสามข้อเนี้ย มันจะนำไปสู่การละเมิดสีลข้ออื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสุรากับมุสาไม่เอาสุราก็ได้พวกนี้เป็นเป็นเรื่องขอ ง, ข อ, งอากุศลับบศิบไปนำไปสู่การพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพื่อเชอเรล่อยๆเป็นการรุ้อำนาจแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นไปในจิตใจของตัวเอง นี่ก็เป็นองค์ของอากุากศลกําบทสามข้อนะสามข้อแรกแต่ละข้อนั้นถ้าเราพยายามทําความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรู้จักองค์เขาคือจะองค์ประกอบของเขาที่เรียกว่ากามเมที่เรียกว่าปานาที่เรียกว่าทินาเนี่ยแล้วก็อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกลํากลายนะเพราะพวกนี้มันลวงเหนียวไปสู่นะรก ทุกข้อเนี่ยลนะวงเหนียวไปสู่นาะรกทั้งนั้นพระเจ้าทรงแสดงไว้เองนะฮะแล้วก็ไม่มีใครถามคือทรงแสดงเองเยต้องฟังทางลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไพ่บูตรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทางลายโดยทั่วกันสวัสดี